ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทหลายายการในหัวข้อเอตัธคะปาลิคือพูดถึงยอดแห่งระสาวกสาวิกาที่นายยกตัวอย่างฝ่ายละหนึ่งท่านมานั้นวันนี้ก็มาถึงกลุ่มของบาสิกาบริษัทซึ่งพระพุทธเจ้าทรงยกจ้องไว้ ในตําแหน่งเอตตะคะนั้นก็มีอยู่10ท่านด้วยกันท่านแรกก็คือนางสุชาดาอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันเ <Okay. S 1> มื่อวันเสาร์ที่แล้วก็มีท่านผู้ฟังสงสัยเรื่องนางสุชาดาที่เป็นสะพายของท่านนาทบินธิกะเศรษฐีที่ยกตัวอย่างมาว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า <Okay. S 1> คือเรื่องชื่อซ้ํากันเนี่ยเป็นธรรมดานะฮะ เป็นคนอยู่คนละเมืองคนละวัยก็ห่างกันมากนางสุชาดานั้นท่านอยู่ที่เซนานิคมแต่สุชาดานี้เสนานิคมนั้นอยู่ในแควนังคะนางสุชาดานี้ก็อยู่ในแควนโกศลเนคนละบ้านคนละเมืองกันชื่อซ้าของแขกเป็นเรื่องธรรมดามากยิ่งชื่อระษา ว, วกผู้ใหญ่ ในสมัยพุทธกาลพม่าตอนหลังพวกลังกาเนะี่ยชอบนำมาชื่อปัจจุบันนี้ก็มีเอยอะแยะพระราหุลพระเรวัตพระสารีบุตรอะไรแต่เทศลังกาเนะี่ยมีบ้างจะชอบชื่อเรียนพระอริยสาวกแต่เบื้องไทยเรานั้นถือคือไม่เอาชื่อพระอริยสาวกมาตั้งชื่อหรือแม้แต่ชื่อสมเด็จพระสังฆราชคือฉายาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อนๆพระรุ่นหลังจะไม่เอามาตั้งคนที่เข้ามาบวช เราถือว่าขาดความเคารพอันนี้ก็ความเชื่อถือก็แตกต่างกันแต่พมา่าเออพวกหลังกาก็ถือว่าโก้ดีถ้าชื่อเหมือนพระอรหันต์เราถือว่าขาดความเคารพเรวไม่เอามาชื่อนั่นนั้นในเมืองไทยจึงไม่มีใครที่ชื่อเหมือนพระอรหันต์นอกจากว่าอุปชาท่านไม่ค่อยภาษีภาษาบางทีก็หลงมาบ้างเหมือนหลงหูหลงตามาบ้างแต่ก็มีอยู่น้อยมาก เ, เนื่องจากเรื่องของ นางสุชาดาซึ่งเป็นอริยสาวิกาท่านแรกก็มีประวัติที่ไม่มีอะไรเด่นเท่าไร่ก็เห็นจะยกเอาท่านที่สองคือนางวิสาขามาอุบาสิกาซึ่งในชื่อว่าเป็นนางงามแห่งเบนจักีรีนครเป็นยอดแห่งอุบาสิกาคู่กับท่านอนาถบินติกาเศรษฐี แล้วก็เป็นผู้อุปถรรัมภ์พระพุทธศาสนาฝ่ายสตีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยพุทธกาลประวัติที่ถือว่าเป็นบุพกรรมคือกรรมในการก่อนของนางก็เริ่มต้นมาจากหังสะวีนครในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปฐุมุตระคือนัาไปแสนกับจากพัทกับนี้เหมือนกันคือแสดงว่าเริ่มออกเดินทางรง่วมกันทุกๆอง ท่านได้เกิดเป็นกุลธิดาในสกุลหนึ่งซึ่งเป็นสมาธิทิแล้วเข้าฟังธรรมในสำนักของพระพุทธเจ้าสุปนามว่าปทุมุตระก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งอุบาสิกาท่านหนึ่งในตำแหน่งที่ยอดแทงทายิกาผู้บำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ปรารถนาฐานันดร น, นั้นด้วยจึงทำบุญ มีประการต่างๆแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อจะได้ตำแหน่งมหาอุบาสิกาในสำนักของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในการอนาคตซึ่งได้รับพุทธธรรมนายเช่นเดียวกับท่านอื่นต่างกล่าวแล้วนางก็เกิดปีติในตำแหน่งที่จะได้ก็เริ่มบำเพ็ญบุญกุศลจนสิ้นชีพแล้วก็ท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นเวลานานตลอดถึงแสนกับ ในพัตตกะนี้คือในสมัยของพระพุทธเจ้าทรงรนามประกาศสปะคือก่อนพระพุทธเจ้าเราได้เกิดเป็นราช ธ, ธิดาของพระเจ้ากิกิแห่งกรุงพาราณสีพระเจ้ากิกินั้นมีราชธิดาอยู่เจ็ดพระองค์ด้วยกันซึ่งเป็นเป็นคนที่แปลกนะฮะไม่ยอมแต่งงานแล้วก็ประพฤติเป็นพรหมจารย์ีหมดทั้งเจ็ดคน อยู่ตลอดพระชนอ์ชีพเผยแสดงถึงบารมีแก่กล้ามากแล้วท่านทั้งเจดนั้นมาถึงพุทธกาลเนี่ยคนหนึ่งก็มาเกิดเป็นพระเขมาซึ่งเป็นภิกษุณีที่ยอดทางปัญญาคนที่สองก็มาเกิดเป็นพระบุญวัรณาซึ่งเป็นพระเทรีที่ยอดทางฤทธิ์คือเป็นอักษาวิกาของพพุทธเจ้าทั้งคู่แล้วก็ คนที่สามก็มาเกิดเป็นพระนางปตาจาราซึ่งเป็นพระเถรีที่ยอดทางวินัยคนที่สี่ก็มาเกิดเป็นพระกีสาโคตมีบอกบวชเหมือนกันเป็นเป็นเป็นระดับอักษาวิกาควาภิกษุณีคนที่ห้าก็มาเกิดเป็นพระนางธรรมทินนาซึ่งเป็นภิกษุณีที่ยอดทางธรรมกัึกคนที่หกก็มาเกิดเป็นพระนางมหามายา คือเป็นพระชนีของพระพุทธเจ้าคนที่เจ็ดก็มาเกิดเป็นนางวิสาขาซึ่งเป็นมหาอุบาสิกาดังนันจะเห็นว่าเจคนพี่น้องห้าคนแรกกลับมาเกิดในสมัยพุทธกาลมีฐานะที่แตกต่างกันหมดแต่ว่าในที่สุดออกบวชแล้วก็บรรลุอรหัตทั้งหมดแต่อีกสองคนหลังก็ได้เป็นคนหนึ่งเป็นพุทธมารดาก็ได้บรรลุโสดาคนที่สองก็คือนางวิสาขา เป็นอุปถาจิกาของพระพุทธเจ้ามเป็นยอดของบาติกาก็ได้โสดาสองคนเป็นพระหานเจ่ห้าคนในพุทธการนี้ท่านมาเกิดเป็นทิดาของนางสุมณเทวีซึ่งเป็นพัญญาของท่านธ น, นชัยเศรษฐีมีเรื่องราวของนางนี่ยาวมากมต้องตัดเอาบางบางตอนคือยาวเหลือเกินอยู่ที่พัทยะนะคร ซึ่งอยู่ในในอาณาจักรของพระเจ้าปีพิศาดเหมือนกันได้อยู่ที่แคว้นอังคะต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงสวดดูสัตว์ตวโลก mm. ก็เห็นคนกลุ่มนี้นะเขาเรียกกลุ่มผู้มีบุญห้าคนตั้งแต่ปู่ของระนางปู่ของนางวิสาขามาคือในสายของนางวิสาขาเนี่ยเป็นสกุลที่มีบุญอยู่สี่คน คือเ ม, เมนตะกะเศรษฐีที่เป็นปูนางปทุมบดีที่เป็นเป็นาฮะแล้วก็พ่อคือธ น, นชัยเศรษฐีแล้วก็แม่แล้วก็ทาดอีกคนนึงชื่อบุณะทานเป็นคนที่มีบุญมากพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาโปรดท่านเมนตะกะเศรษฐีแทนที่จะส่งคนอื่นให้ไปตอนรับพระพุทธเจ้าก็ส่งหลานสาวซึ่งตอนนั้นยังเยาว ให้เป็นหัวหน้าในการต้อนรับตามตำนานอาัจฉริบอกว่ายุคเพียง7็ดขวบเท่านั้นเองแต่น่านสามารถจัดการต้อนรับพระพุทธเจ้าได้คือเป็นอัจฉริยะมาตั้งแต่เด็กๆจัดการงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฟังพระธรรมเทศนาบรรลุโสดามาตั้งแต่เด็กๆต่อมาครอบครัวนี้ได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองสาเกตโดยพระเจ้าพิมพิสาแพระเจ้าประสิทธิ์ที่กศลซึ่งเป็นคู่เยขยกัน ก็เรียกคู่เขยยังไงคือแรกน้องสาวกันนะมันไม่ไม่ทราบเรียกยังไงมาขอเศรษฐีจากกากพระเจ้าพิมิสารไปแต่ก็ไม่สามารถจะให้สกุลใหญ่จริงๆไปได้ก็ส่งให้ธ น, นชัยเศรษฐีไปอยู่ที่เมืองสาเกตคือใหญ่มากเป็นขบวนที่ใหญ่มากเอาว่าจริงเขาเข้าเมืองสาวถีไม่ได้ปกคนมากไม่เกินเลยไปสร้างเมืองกันใหม่ทีนี้ นางวิสาขานั้นก็ต้องตามพ่อไปด้วยจนต่อมาอายุเจริญจนถึง16บหปีในเมืองสาวัตถีก็มีเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งที่เป็นสกุลมิชาทิธิชื่อมิคาลเศรษฐีมีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าปุณณวัฒนกุมารเราต้องการที่จะให้ได้ทิดาเศรษฐีที่มีชาติสกุลเสมอกับตนมาแต่งงานก็ใช้วิธีส่งพราหม์8ดคนไปสืบ ซึ่งในนี้เราจะเห็นว่าเขาใช้กันมากทรงพราหมณ์ผู้ใหญ่แปดคนไปสืมหาคุณลัตรีที่เหมาะสมจะมาเป็นสะพายของตนพวกเหล่านี้ก็ไปมาจนถึงเมืองสาเกตและในขณะนั้นะไปพั ก, กที่ศาลาแห่งหนึ่งนางวิสาขากับบริวารไปอาบน้ำชิแม่น้ำ ซึ่งตามปกติแล้วสมัยก่อนกุลธิดาเนี่ยเขาไม่ค่อยยอมออกจากบ้านนอกจากวันนักขัตฤรรกษ์คือวันพิเศษจริงๆ จ, งจึงออกไปได้แต่ต้องออกไปโดยมีพวกพวกไม่บริวารพอดีก่อนที่จะเดินกลับมาถึงศาลานะั้นก็ฝนตกพวกหญิงคนรับใช้มันก็วิ่งหนีฝนขึ้ น, นหน้ศาลาแต่นางวิสาขาไม่วิ่งก็เดินมาโดยปกติธรรมดาจนมาถึงศาลา พระพรามทั้งแปดเห็นก็ทึ่งสนใจมากเพราะว่าเนี่ยมองด้านอื่นเนี่ยก็สมบูรณ์ทุกอย่างก็เรยไปเป็นเบญจ ก, กัลยาณีในที่สุดก็เพื่อต้องการทดสอบถึงถ้อยคําสําเนียงด้วยแล้วต้องดูต้องการจะดูฟันด้วยนะฮะเพราะว่าในเบญจ ก, กัลยาณีมีความงามอยู่ด้วยก็สอบถามว่าในขณะที่ผู้หญิงคนอื่นเขาวิ่งอะ เธอนีทำไมจึงเดินมาธรรมดาแต่อัตตกรถาเอตตคานั้นไม่ใช่ใช้คำเรียบๆอัตกถาทรรมบทดูใช้คำหยาบคือมีลักษณะพูดในเชิงดูหมินแต่นางวิสาขาท่านเป็นอริยสาวิกาแล้วท่านก็พูดในลักษณะที่สุขุมคือท่านบอกว่าเสื้อผ้า น, นั้นมันเปียกง่ายตาก็แห้งก็ได้แล้วก็เสื้อผ้าที่บ้านก็มียะแต่ว่าธรรมดาวาคุลสตรีนั้น จะวิ่งไปเนี่ยไม่สมควรไม่สมควรในด้านอิริยาบถนั้นอย่างหนึ่งไม่สมควรในโอกาสที่อาจจะพลั้งพลาดถกล้มแข้งขาหักซึ่งจะกลายเป็นภาระของครอบครัวคือพ่อแม่จะต้องเลี้ยงดูเพราะว่าไม่มีชายผู้ใดที่จะมารับไปหญิงพิการเป็นพัญญาและต่อจากนั้นท่านก็แสดงถึงบุคคลที่ไม่ควรวิ่งเอาไว้สี่ประเภทด้วยกันเอประเภทแรกนั้น ตรีนี่วิ่งก็ไม่งามประการที่สองนักบวดวิ่งไม่งามประการที่สามช้างทรงของพระราชาที่อยู่ในเครื่องคือช้างทรงเครื่องเรียบร้อยแล้ววิ่งไม่งามต้องเดินไปแบบพญาช้างและพระราชาที่โครงทรงราชวิปุสิตาพรเรียบร้อยแล้วก็วิ่งไม่งามซึ่งความคิดเห็นของนางนี้ก็สร้างความประทับใจให้พราม ตั้งแปดมากและในที่สุดเมื่อสอบถามเรื่องราวต่างๆก็ทราบประวัติพระกลายเป็นใคร ต, ตามธรรมเนียมเขาก็เอกเอาโมกพวงมาลัยไปสวมมาะพรพวกมาลัไปสวมก็ถือใกล้ใกับ ต, ต, ตีตาจรองอะไรเอ่อทางบ้านจะต้องส่งรถมารับแล้วคือเดินเดินเดินมาเนี่ยมันเดินได้แต่ว่าตอนนี้มันก็กลายเป็นธรรมเนียมเขาอะ่ะก็ทางบ้านก็ต้องส่งรถมารับก็เป็ี่ยนขบวนกลับบ้าน พวกพราหม์เองก็นําเครื่องบรรณาการไปหาท่านตนนชายเศรษฐีแจ้งความประสงค์ให้ทราบตนนชัยเศรษฐีนั้นท่านพอรู้ว่าเป็นมิคาลาเศรษฐีจะเทียบทรัพย์สมบัติกันมัเทียบไม่ได้เพราะว่ามิคาลาเศรษฐีก็มีทรัพย์น้อยท่านนั้นมีประมาณไม่ได้คือนับกันไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ได้จิตใจในประเด็นนั้นพอตกลงก็ให้มอบหมายแต่งงานกัน ตอนนี้ในพิธีแต่งงานนะักว่ากาันวิจิตพิสดารใหญ่ตัว โ, มโหมรานนะกันก็เป็นเรื่องพิเศษจนขนาดว่าท่านัญชัยเศรษฐีต้องการจะเชิดชูที่ดาของตัวเองให้เด่นที่สุดจึงสร้างเครื่องประดับพิเศษขึ้นมาอย่างหนึ่งเรียกว่าระดามหาประสาดก็วิจิตพิสดารมากนะฮะหรือถ้าคนเราพอสวมข้าก็ล้มปึงประเดีย๋ยมันหนัก ก็ดด เ, เครื่องประดับต่างๆข้าใจวันหลายกิโลอ่ะมันมีคนนุ่งได้ไม่กี่คนใ น, ในสมัยพุทธกาล ร, รู้สึกเกี่ยวสวมได้สองคนเท่านั้นเองหนักมากแต่ก็เป็นเป็นทรัพย์สมบัติหรือเป็นสมบัติสมบัสม บ, ต ส, มบตสตรีที่มีบุญข้อนี้พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้านะฮะทรงพบในอัตกถาท่านแสดงว่ามันเกิดขึ้นจากอานิสงส์ถวายผ้าไตรจีวร คือผู้หญิงที่ถวายพระไตรจีวร น, นี่จะได้เครื่องประดับแต่ว่ามันต้องถวายด้วยศรัทธานะฮะถวายด้วยศรัทธาความเลื่อมใสจริงๆ จ, จะได้เครื่องประดับประเภทนี้ที่เรียกว่าระดามหาประสัดแต่อย่าลืมว่าชั้นนี้มันต้องสมบูรณ์โดยเงื่อนไขหลายอย่างสัมปทานสี่อย่างที่เคยกล่าวมาแล้วก็สมบพ้ชายแล้วก็จะได้จีวรที่สําเร็จด้วยฤทธ ถึงถ้าเราไปดูในสมัยพุท ธ, ธกาลตอนต้นๆเนนวลาพระพุทธเจ้ารับสั่งมาจงเป็นภิกษุมาเถิด ท, ทาเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติปจถรย์เพื่อทําที่สุดแต่งทุกข์โดยชอบเถิดเพศคารวะามันกลับไปเลยผมภาพมันหายไปเลยแล้วก็มีจีวรเข้ามาสวสมสําเร็จด้วยฤทธิ์เขาเรียกว่าจังจีวรที่สำเร็จด้วยฤทธิ์แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้บ่อยนะฮะมันก็ต้องดูว่าคนนี้มีบุญหรือเปล่าถ้าบุญไม่ถึงก็ไม่ได้รับสั่งอย่างนั้นเพราะรับสั่งแล้วต้องเกิด จะมีพระบางองค์ที่บวชในยุคแรกแต่ไม่รับสั่งก็เพราะว่าไม่มีบุญในด้านนั้นมาก็ตกลงว่าในพิธีแต่งงานเนี่ยพิธีแต่งงานที่ใหญ่ทางโน้นก็แสดงความยิ่งใหญ่ออกมาพระเจ้าประเสนิโกศลเองก็เป็นประธานนั่นก็เป็นพิธีกรรมต่างๆแต่ก็มีจุดที่น่าศึกษาอยู่อีกจุดหนึ่งก็คือก่อนที่จะส่งทิดาไปสู่สกุลสามีนันทนนชายเศรษฐีได้ ให้โอวาตที่เราถือเป็นหลักวัดบ้านนอกในปัจจุบันนี้เวลาไปแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาว<ๆ>ก็จะให้พระให้โอวาตส่วนมากก็นี่แหละอวาตรสิบข้อกับหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไวในเรื่องที่ถกอีกห้าข้อเขจะพูดเรื่องเหล่านี้แต่เขาแต่งงานในกรุงเทพเขาเขาก็ไม่ให้พระดยให้โอวาตอะไรแล้วก็จะรีบ สนุกสนานเขาแล้วพระเราก็รีบกลับก็พอดีกันแหละว่อบาสใน 10, 10ข้อนั้นเป็นการเรียกไปให้โดยเฉพาะแต่มิคาสรสเษชีนั้นได้ยินได้ยินแต่ทางฟังไม่เข้าใจเราพูดการระดับอริยบุคคลเราพระอริยบุคคลเมื่อกลับไปนั้นก็มีการมอบสมบัติให้เป็นอันมากอีก คือมอบเ่าได้ตามพรามณ์ปรารถนาพวกท่าธาตุบริวารก็ไปกันเป็นการใหญ่เป็นเรียกว่าเมืองก็ไปสร้างเมืองกันอีกอในที่สุดเมื่อไปอยู่ในสำนักของท่านของพ่อสามีคือมีคารเศษฐีแล้วไอ้บทบาทของสามีนี่ไม่ได้ยินชื่อเลยมันหายไปแล้วมียุ่งอยู่ที่พ่อพ่อพอะไรพ่อสามีอ่ะนมีคารเศฐีไปถึงก็เริ่ม คือก่อนจะไปในท่านถนนชายเศรษฐีได้ให้พราหม์ผู้ใหญ่เจ็ดท่านไปเป็นพี่เลี้ยงลูกสาวลูกสาวคนเดียวนะฮะแล้วก็รวยไม่รู้จะไหวไงก็เลยมีอะไรพิเศษพิเศษทนนั้งนั้นมีพราหม์เจคนไปไปไปทำหน้าที่ในการช่วยเหลือชี้แนะตลอดถึงตัดสินปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างครอบครัวของสามีกับนางวิสาขาเนี่ยแล้วก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นมา สามเรื่องเรื่องแรกก็คือท่ามีคารเศรษฐีนะั้นนับถืออเจโลคอเจโลคคือพวกนักบวชเปลือยพวกนิครณ น, นะครก็เชิญพวกนิครณมาฉันอาหารที่บ้านแล้วก็ให้คนไปบอกนางวิสาขาให้มาไหว้พระอาหารหันต์นางวิสาขามาอยู่ไกลกับครอบครัวตัวเองนะฮะถึงกลับไปใกล้พระพุทธเจ้าก็จริงแต่ว่าบ้านครอบครัวนี่มันเป็นวิจาธิฐิ ยังทำอะไรไม่ได้ก็รีบไปนะึกว่าพระอาหารหันต์จริงพอไปเจอพวกนักบวชอาเจโลกเข้ากันก็บนนะฮะท่านก็ว่ารคนอย่างนี้ไม่ไม่มีฮิริไม่มีอัตตาเจะเป็นพระอาหารหันต์ไม่ได้พระอาหารหันต์ทั้งหลายไม่ใช่มีลักษณะอย่างนี้ทำให้อาเจโรกนี่โกรธมากแล้วก็ไปบีบบีบพระมิคาราเษฐีนี่ไล่ออก นักเลงเหมือนกันนะพระเราก็ไม่ไม่ใช่พระนะเจ้ก็มีคณะเศรษฐีตอนนั้นก็เรียกว่ า, วาลูกสะพ้ายมาใหม่ๆเนะี่ยยังเอาโอกกใจอยู่ก็บอกก็ไม่เป็นไรหล้กนะาคุณจ้าจะไปถือเด็กแกพูดไปอย่างงั้นเองอะ่ะอเสร็จแล้วก็ไปนีประนอมเรื่องนี้เสร็จต่อมามันมีกังคืนคืนหนึ่งเนี่ยไอเอม้าของนางวิสาขาที่มาในขบวนเนี่ยมันออกลกูก อวิสาขาก็ชวนในหญิงคนชายไปช่วยช่วยคลอดลูกให้ให้มาอยู่กลางกลางดึกอ่ะแล้วก็เหตุ ก, การณ์เหล่านี้มิคารเสษถีเห็นแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรพะมาครั้งที่สามมิคารเสษถีกำลังกินอาหารอยู่อวิสาขาก็ทำหน้าที่สะพายที่ดีนะฮะไปปฏิบัติพ่อสามีอย่างดีบกปัดพัดบีให้อย่างดี แต่ว่าตัวเองก็ไม่มีอำนาจสิทธิอะไรแล้วที่ที่ที่จะไปควบคุมอะไรเขาพราตอนนั้นเรียกว่ายังเป็นคนใหม่ยังไม่ได้ว่าใจอะไรกันในขณะนั้นมีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินวินธบาทมานามิจาขานั้นไอ้ใจเองก็ใคร่ที่จะทำทานแต่ก็มันอยู่หน้าของพ่อสามีเอาปล่อยพ่อสามีเขาก็ตัดสินเอง แต่ท่านมีคาราเสตี๋พเห็นแล้วก็ก้มหน้ากินได้ถ้าทําไม่เห็น น, ะนางวิสาขายืนพระยืนอยู่นานแล้วก็วันนี้มลพระคุณเจ้าโปรดข้างหน้าเถิดพ่อสามีดีฉันกําลังกินของเก่าวตอนนี้เลยปึงไงระเบิดนะระเบิดขึ้นมาก็สั่งไล่เลยเอาเอากันใหญ่เลยนางวิสาขาบอกว่าไอจ้จะไล่อย่างงี้แกไม่ไปหรอก แล้ว ก, ก่อนจะมาในพ่อก็ส่งพราหมณ์ผู้ใหญ่มาแล้วเจ็ดคนให้วินิจฉัยตัดสินเรื่องรา่าต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะงั้นถ้าต้องการนถ้าต้องการจะไล่มันก็ต้องตัดสินกันก่อนว่าผิดหรือถูกเดี๋ยวรู้ผิดถูกแล้วก็ท่านจะไปเสร็จแล้วก็เชิญพราหมณ์ทั้งหมดมาพราหมณ์มันก็เริ่มนะฮะท่านมีคารเศรษฐี ก็ตอนนี้มันก็เรียกอะไรหมาป่าไล่ลูกแกะแล้วนะมันต้องหาอะไรมาให้เยอะแยะไปหมดเลยให้ผิดได้ๆม้ก็เริ่มมาจากจุดจุดมูลกรณีคือเรื่องกินของเก่าว่านาวิสาขานันดูหมิน่นว่าแกเป็นคนระดับเศรษฐีจะกินกินของเก่าของบุตรของเน่าได้ยังไงนางวิสาขาบอกเขาไม่แกไม่ได้หมายอย่างงั้นจะ <c oughs> หมายความว่า การที่พ่อเนี่ยร่ำรวยเป็นเศรษฐีขึ้นมาเกิดมาในสกุลเศรษฐีเป็นลูกเศรษฐีระดับรักไอรักษาฐานะคนเศรษฐีไว้ได้เนี่ยแสดงว่าพ่อมีบุญเก่าสนับสนุนมาเวลานี้พ่อก็กำลังเสวยบุญเก่าอยู่แต่พ่อก็ไม่ได้สร้างบุญใหม่ที่ควรจะสร้างนั้นจึงพูดว่าก็เสวยบุญเก่าก็กินของเก่าก็ตกนะฮมาแก่ตกไปแล้วแก่ก็ทีนี้มันก็ผ่านดีบางขวางแล้วไม่รู้จะเอาไงอะ ก็ย้อนหายไปนวลในทีเมืองสาเกต์บอกว่าท่านัญชายเศรษฐีกับนางวิสาขาเนี่ยมีอะไรพิกลพิกลตัวก่อนที่จะส่งลูกสาวมาก็แอบไปซุบซิบกันในห้องโวยวา้ถึถงสิบอย่างฟังก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้หมายความว่ายังไงนแสดงว่ามาเก่อการร้ายอะไรก็ไม่รู้นางวิสาขาก็เลยก็อธิบายให้ฟัง อบ้า10ข้อหนึ่งข้อหนึ่งไฟในอย่านาออกสองไฟนอกอย่านำเข้าคือถนนชายเศรษฐีไ อ, อ, อ้มีคารเศรษฐีนะี่แกเข้าใจอย่างแต่ว่านางวิสาขาที่ถนนชายเศรษฐีสอนก็นางวิสาขาเข้าใจบางอย่างนนถนนชายเศรษฐีบอกไฟในไม่ให้นําออกไฟนอกไม่นําเข้าแล้วเราจะช่วยเหลือเพื่อนบ้านได้อย่างไรนะบางทีบ้านเราไม่มีไฟมันก็ต้องไปเอาข้างนอกบางทีข้างนอกเขาไม่มีไฟก็มาข อ, ขอเราก็ให้กันได้นางวิสาขาท่านก็อธิบายผมไม่ใช่อย่างนั้น ภายในยํยานำออกนั้นหมายถึงว่าเรื่องเสื่อมเสียต่างๆของสามีของพ่อสามีของแม่สามีคือของครอบครัวนะ่ะอย่านำไปข้างนอกแล้วเรื่องเสียหายต่างๆไม่ว่าใครจะตำหนิตีเตียนนินทาพ่อสามีแม่สามีสามีอะไรต่างๆก็อย่านำเข้ามาข้างในเพราะว่าแต่ละอย่า ง, งเป็นไฟก่ใอให้เกิดความเดือดร้อนแล้วต่อไปก็จงให้แก่คนที่ให้ อย่าให้แก่คนที่ไม่ให้จงให้แก่คนที่ที่ให้นั้นหมายถึงว่าใครกู้ยืมทรัพย์สินเงินทองอะไรไปแล้วก็คืนวันหลังก็มายืมอีกก็ให้เขาอีกและอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้คือคนที่หยิบยืมอะไรไปแล้วไม่คืนวันหลังก็ไม่ต้องให้จงให้แก่คนที่ให้และไม่ให้ข้อที่ห้ว่าจงให้แก่คนทั้งที่ให้และไม่ให้นี่ก็หมายความว่าญาติพี่น้องที่ยากจนขัดสนอน า, นาถาไม่อยู่ในพิสัยที่จะคืนอะไรได้ เมื่อคนเหล่านั้นมาออกปากช่วยเหลือเราก็ช่วยไปคืนก็ดีไม่คืนก็แล้วไปนี่ก็เป็นการอนุเคราะห์ญาติเป็นอุดมมงคลชีวิตประการหนึ่งจงนั่งให้เป็นสุขจนนอนเป็นสุขบริโภคเป็นสุขนะฮะเป็นแถวไปเดี๋ยวนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขบริโภคเป็นสุขจึงหมายความว่าไอ้ก่อนจะนั่งจะนอนเนี่ยให้เสร็จภารกิจต่างๆไวก่อนภารกิจอะไรที่ควรจะจัดควรจะทําไม่ต้องว่าปุ่ลลกปุ่นนั่งกันอยู่เรื่ อ, อยๆจะนั่งพักก็พักจริงๆ จะนอนก็ถือว่าเสร็จภารกิจต่างๆแล้วก็ทํางานที่เป็นหน้าที่ เ, เสร็จแล้วจึงนั่งจึงนอนอและอีกอย่างหนึ่งคือนั่งเป็นสุขนั้นก็อย่าไปนั่งขวางในประตูบันไดที่จะต้องลุกต้องต้องเปลี่ยนนะฮะเพราะงั้นโบราณเนี่ยท่านจะเห็นว่าท่านถือมากเลยลูกหลานนั่งคาบันไดาคาประตูเนี่ยไม่ได้ก็นี่แหละก็แนวนี้แหละแนวที่เราอบรมมนด้วยโอวาทสิบข้อก็นางวิสาขาคือท่านทั้งหลายได้โปรดเข้าใจนะว่าสังคมไทยเราในชนบทเนี่ยหนังสือหนังสือที่มีอิทธิพลมากที่สุดเนี่ยคือใจภูมิพระร่วง เรื่องมาชาติเรื่องนางวิสาขาเขาเรียกขันหมากปฐมทเทศขันหมากปฐมอะเรื่องนางวิสาขาแล้วก็เรื่องนายพรานคืนศีลอันนี้อยู่4ี่เรื่องที่มีอิทธิพลในสังคมไทยสูงมากเพราะงั้นใ น, ใ น, ในวัฒนธรรมประเพณีอะไรตๆรของไทยที่เราที่มาอบรมสั่งสอนกันอยู่เนี่ยก็ค <s> ือเรื่องในสี่เรื่องนี้และเรื่องนางวิสาขาก็าเรียกขันหมากปฐมอะขันหมากปฐมก็มีเทศสามธรรมะสธรรมะเลย เยอมากบางทีก็สองธรรมะมีวิธีแ ต, แ, ต แ, ตแต่งงแต่งงานกันเยอะๆก็ทำให้โอวาสเราเนี้ยก็มีอิทธิพลในในวัฒนธรรมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนั่งเป็นสุขก็หมายความว่านั่งตรงไหนที่ไม่ต้องลุกไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปทำความเดือดร้อนไปขวางทางเดินเขาอะไรต่ะงนี้เรียกว่าก็านั่งให้เป็นสุขอย่าไปนั่งในสถานที่ตอนนั้น หมายถึงตลอดถึงเสร็จภารกิจการงานด้วยแล้วก็นอนเป็นสุขก็หมายถึงว่าให้เสร็จเรื่องเสร็จราวแล้วก็นอนบริโภคเป็นสุกคือต้องดูดูแลคนอื่นแต่ก่อนในฐานะเป็นแม่บ้านกับริโภคให้เป็นสุขตลอดถึงว่าไม่หวงอะไรไว้บริโภคคนเดียวจงบำเรอไฟจงนอบน้อมเทวดาภายในเรือนสองข้อสุดท้ายบำเรอไฟก็หมายถึงว่าให้แสดงความเคารพชื่อถืออ่อนน้อม ต่อครอบครัวนะฮะสามีสามีพ่อสามีแล้วผู้ใหญ่ภายในตระกูลนอบน้อมเทวดาภายในเรือน ค, คือเรียกว่าเชิดะบุคคลตั้งแต่เราขึ้นไปนะคือเหนือเราไปอายุที่เหนือเราไปสรุปว่าเป็นเชิดะเป็นกุลเชิดคือผู้ใหญ่ภายในตระกูลก็ไม่รู้จะใครบ้างเลยเยอะแยะหมดเลยก็ให้นอบน้อมบูชาเทวดาเหล่านั้นเพราะท่านเป็นเทพที่ ท, ที่ที่ใช้คําว่าไฟนั้น ในแง่ของความมีคุณอนันต์มีโทษมหันเนี่ยเกี่ยวกัความมาถ้าเราใช้ประโยชน์ดีเราเข้าใจใช้มันก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าไม่ดีมันก็อันตรายนี่ก็เป็นโอบานนี่ก็ตกลง ก, ก, ก็แก้ตกแก้ตกก็ลามปามใหญ่อะไนี้ไปออกอีกเรื่องหนึ่งเรื่องว่านี่ก็ตองดึกก็เดินไมปพบชู้สู่ชายเนี่ยไปแอบอยู่กลางคืนนี่ไม่มีใครไปพบใครเห็นไปนัดผู้ชายพบกันมาที่ไหนไมาด้วยตอนลงไปทำคลอดแม่มาเนี่ย นายสาคาก็เล่าไปฟังทีนี้พวกพรามก็คุกคามแต่บอกนี่คุณเนี่ยทิดาข้องฉันเนี่ยนะเป็นลูกของมหาเศรษฐีเนี่ใหญ่ก็จะกูลคุณขนาดไหนแล้วมาถึงบ้านคุณในขนาดไปลงไปช่วยแม่มาคลอดเนี่ยก็เสียสละขนาดไหนแล้วคุณยังมาใส่ร้ายขนาดนี้เราต้องลงมาแก้กเรื่องต่างๆจบพอจบนายสาขาสั่งเคลื่อนย้ายเลยบอกว่าที่ไม่ไปนั้นคือมันมันจะเป็นชาตาตัดหลัง สั่งเคลื่อนย้ายทีนี้ก็มีขาราเสถียก็ตกใจแต่เขาขอขามาโทษการเป็นการใหญ่ขอมาโทษมก็ได้ทา ง, งะนะนักวิชากาเขาบอกก็ได้เกิดแต่พ่อให้อยู่ก็ได้แต่ก็มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าทีฉันจะต้องสามารถเลี้ยงดูนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันในนิเวศได้นิมนต์พระสงค์มารับบาตได้แล้วก็ทําหน้าที่ของบาติกาได้ถึงวัพย์สมบัติที่ใช้นั้นจะไม่เอาของพ่อหรอกเอาของฉันเองอแต่ว่าสามารถทําได้เพราะอํานาจใหญ่ผมก็ พ่อเขาเป็นใหญ่ตกลงมิคะศรศเซธีก็ยอมยอมนาเิ็นสาขาก็ทำในส่วนของท่านเองจำครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามก็ทำในส่วนของท่านเองพ อ, อบรรยากาศมันชักจะเคยชินกันมาแล้วก็เริ่มนิมนต์พระพุทธเจ้าเลยนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเสร็จแล้วก็ถึงคราวพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็ส่งคนให้ไปเชิญพ่อสามีมาย มีคารเสตถีก็เกรงใจลูกสาว่ะลูกสะภ้ยเพราะมันมั น, ม, นมันหลายคราวลนะ่ะก็มามาถึงก็ไอพ้พวกพวกพวกพว ก, วกพวกอาเจย์โลกพวกนักบวชนอกาศาสนาที่มีคารเสตถีนับสืออยู่ก็มาห้ามบอกอย่าไปนะอย่าไปนะจะบอกไม่ได้หรอกแหมแกแกเชิญมาหลายเที่ยวแล้วไม่ไปก็น่าเกลียดก็ต้องลงมาทำยังไงพวกนี้ก็เลยมากามั้นม่านกั้นม่านขวางไว้ให้มีคารเสติถีฟังก็ได้แต่ฟังนอกม่าน ตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ต้องใช้เป็นที่เรียกว่าเป็นอิทธิวิธินะคือให้มีคาราเศรษฐีมองเห็นม่านกั้นก็มองเห็นแล้วก็มองเห็นในลักษณะคล้าก็เรามองเห็นพระจันทร์มองเห็นพระจันทร์พระอาทิตย์ทุกคนมองเห็นว่าอยู่บนหัวเราหมดอลยเวลาพระพุทธเจ้าแสดงมาธรรมเทศนานี้ท่านเล่าว่ามันมีไอ้ปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์อย่างหนึ่งคือทุกคนมีความรู้สึกพระพุพะพทธเจ้าพูดกับเรา พระเจ้ากำลังมองดูเราพู้กับเราคนเดียวเท่า น, นั้นนีงคล้ายๆกับ ค, ค, คนมองดูบนทองฟ้าพระจันทร์พระอาทิตย์อยู่บนหัวเพราะงั้นมีคาระเศรีฟังไปฟังไปในจิตใจมันก็น้อมน้อมไปนะฮะเพราะว่ามันอยู่กับลูกสะพายที่เป็นสัตว์ประุษเป็นคนดีก็กลบไปกลดกาวกันมาพอสมควรในที่สุดท่านก็บรรลุเป็นพระโสดา แล้วตอนนี้ก็เข้าไปหมอบแทบตักของลูกสะพายนะฮะก็กล่าวสรรเสริญลูกสะพายด้วยประการต่างๆในพุทธสํานักแล้วบอกว่าแกนี่มันมันมั น, มน ถ, ถูกลูกสะพายยกขึ้นมาจากไอ้ขุมนรกโดยแท้เพราะงั้นต่อไปในนางวิสาขาอย่าอย่าเป็นลูกสะพายเลยมันเล็กไปให้เป็นแม่เลยยกเป็นแม่เลยนางวิสาขาท่านก็เขินนะฮะท่านก็เขินจะทำํำยังไงดีอ่ะ ไอพ่อผัวไปเรียกว่าแม่แล้วเรียกจริงจริงด้วยนะฮะไม่ไม่จะเรียกเล่นเล่นเรียกจริงๆนวิสาขาก็เลยเอาลูกชายหัวปีเนี่ยตั้งชื่อว่ามิคาระเอาชื่อพ่อสามีมาตั้งเดีเพื่อให้คนทั่วไปฟังว่า เ, เวลาชื่อก็เรียกนก็ชื่อนวิสาขามิคารมาตาก็เรียกเต็มนะฮะแล้วก็มานางวิสาขาถึงเป็นแม่ของมิคารเศรษฐี ตั้นาวิสาขาตั้งก็เขินตั้งก็ตั้งลูกชายขึ้นชื่อให้เหมือนกับพ่อตาเพื่อจะไม่ใช่ไม่ใช่พ่อตาเลยเรียกยุคหมดเลยพ่อสามีอ่ะออก็เป็นนั้นว่ามีคาลเศรษฐีก็ดูกับลูกสะพ้ายเหมือนกับลูกอยู่กับแม่เลยทีเนี้ยครอบครัวนั้นก็เป็นครอบครัวที่กลายเป็นสัมมาทิฏฐิไปเพราะไอ้บุญบารมีของของนางวิสาขาเนี่ย งั้นท่านทั้งหลายจะมองเห็นอะไรในจุดนี้คือไอสัต์บุรุษไม่่ว่าเป็นเป็นบุรุษหรือสตรีนะกรรมสัตว์บุรุษนี่คนดีมันเกิดขึ้นมาในตระกูลแตคนเดียวตันงเดมันลากพวกพวกไปเป็นแถวไปหมดเลยทีนี้อาการต่อไปคือเราจะเอาบางประเด็นนะฮะนายวิสาขานั้นตกลงว่าได้อุปถาญาคือได้บำรุงพระพุทธเจ้าเต็มที่ก็อยู่ในฐานะเป็นลูกสาวนะฮะคือนับถือพระพุทธเจ้าเหมือนกับพ่อ อยู่ในฐานะเป็นลูกเลยเป็นเป็นเป็นคนที่เรียกว่าเอาเรื่องเอารามากที่สุดบรรดาวาติกาทั้งหมดเนี่ยแล้วท่านก็มีอกิจวัตรของท่านในอย่างหนึ่งคือไปวัดตอนเช้ากับตอนเย็นไปว่าตอนเช้าก็ตอนเย็นแล้วทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยจะต้องมีอะไรติดมม้ติดมือไปถวายพระอยู่เรื่อยก็คล้ายๆกับทำทำเป็นทำตัวเป็นแม่ใหญ่ของพระไปเลยทำไปนะฮะ เกี่ยดูแลเอาใจสายเจ็บไายได้ป่วยสารพัดนะสารพัดเลยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราดูในวินัยนะฮะวินัย ท, ที่ที่จริงนี่มันบีบการเป็นอยู่ของพระมากแค่คนที่เข้าไปแก้ปัญหาให้พระได้ผ่อนคลายลงแยะเมื่อก่อนเนี่ยพระจะรับจะตุกตุจใจเนี่ยไม่ได้รับเงินเนี่ยไม่ไดนะ้คือให้เด็กรับก็ไม่ได้แล้วปู่ก็นําวิสาขาเนี่ยขอผ่อนให้รับได้โดยให้มีคนอื่นมาจัดการให้เพราะถ้าหากว่ารับไม่ได้แล้วแย่เลย แล้วก็ปัญหาต่างๆในนางวิสาขาแก้ให้รับผ้าอาบน้ําฝนอะไรแต่ใดนางวิสาขานั้นนะฮะนางวิสาขาเป็นคนแก้ปัญหาให้เยอะไปหมดเลย ท, ที่ที่ที่ในเรื่องของพระเนี่ยเพราะว่าท่านท่านเป็นผู้หญิงแล้วท่านเป็นแม่ลูกตั้งยี่บนะฮะเป็นแม่มีลูกยี่มีหลานอะไรเอาคือคือว่าเป็นเรียกว่าพันพันดอกอะมันขึ้นไปลูกลูกลูกแต่และคนมีมีคนละ20อีกมันก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยฮะไปสูตรไปอย่างเงี้ยว่าท่านจะตายนะฮะ ท่านมีต้องเท่าไหร่อะตั้งสี่พันกว่าคนนะเมื่อครอบครัวขงท่านะอะนี่ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านช่วยตามให้มีระเบียบแบบแผนประเพณีต่างๆเนี่ยฮะเขาเรียกว่าเมนตาการอนุญาตกับพรนางวิสาขาเมนตาการอนุญาตก็คืออนุญาตตามคำขอของปู่นางวิสาขาแล้วก็พรนางวิสาขาแปข้อนะฮะให ไอ้พระได้มีโอกาสอย่างนั้นอย่างนั้นพระป่วยควรจะได้สิทธิพิเศษอยางงนน่างนั้นอะไรแต่เนี่ยเป็นเป็นเป็นเรื่องของของนางวิสาขะอันนี้ก็ในด้านทำนุบำรุงบารุงพระแล้วก็ในด้านาการภายในบ้านของท่านเนี่ยตั้งตั้งพัดประจําถือนิมนต์พระไปฉันประจําแต่ก็ฉันฉันฉันข้ายาคูสมัยโบราณเนี่ยฉันข้ายาคูก็แบบเข้าวต้มนะฮะไปฉันไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปบิณทบาท อิตบาศก็กลับมาฉันก็แสดงว่าแม้ใ น, ในสมัยพุทธ ก, กาลเองพระก็ฉันสองครั้งคืออาหารนออาหารอ่อนครั้งหนึ่งและอาหารอ า, ห, ารหนักก็ครั้งหนึ่งในด้านเสนาสนะนวิสาขาวันหนึ่งเนี่ยท่านไปที่จริงท่านไปในงานอื่นยามที่เคยบอกเรื่องประวัติของนาตบินกาศเศรษฐีแล้วว่าคือก็ถือว่าคนสองคนนี้เป็นคนมุงคลน่ เป็นสิริมงคลเหยียบบันไดบ้านไหนก็ถือเป็นสิริมงคลเลยเพราะงั้นท่านท่านท่านไอ ง, งานเนี่ยงานสังคมสงเคราะห์แบบนี้ก็ได้นะท่านต้อ ง, ง, งไปตลอดตลอดตลอดไปกันอยู่เรื่อยเลยเขาเรียกว่าทุกวันเนี่ยก็วันหนึ่งท่านไปเด็งานหนึ่ไไงทีนี้ก็ไปใกล้ก็นึกจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่วันนั้นไปงานใ่อยแต่งไอลรดามหาประสัดไปเลยพอไปถึง ก็นึกว่าเอาเอาไอ้เครื่องระดามมหาประสาดเนี่ยจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เหมาะมวลรูปมันหญ่โตประหลงประลังอ่งะเสร็จแล้วก็โปรดเอาวางไว้ก็มีทาสีคนเดียวเหมือนกันที่ถือไอ้เครื่องประดับนี้ได้มันหนักด้วยกันเสร็จแล้วพอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมเทศนาเสร็จออกมานางทาสีเกิดลืมลืมเครื่องประดับไปนึกได้ที่บ้านเครื่องประดับตั้งใหญ่ตั้งลืมได้ก็ไม่เบาเหมือนกันน่ย ทีนี้พอไปถึงปรากฏว่าลืมนางวิสาขาก็บอกให้กลับไปดูแต่มีข้อแม้ว่าถ้าพระอา น, นุ์ถูกเครื่องนี้แล้วอย่าเอากลับปรากฏว่าเมื่อนางวิสาขากลับไปแล้วพระอานุนท่านเป็นอุปถากรองก็มองเห็นเครื่องประดับนี้ท่านก็เก็บไปไว้เก็บไวน้นี่คือได้โปรดเข้าใจนะว่าเงินทองอะไรอะหรที่ว่าพระถูกไม่ได้เนี่ยถ้าของชาวบ้านเหยิบได้นะในกรณีที่ไม่มีเด็กเราหยิบเก็บไว้ได้ เพื่อให้เจ้าของเขาเพราะถ้าให้หยิบเก็บแล้วก็มีปัญหานะฮะของหายในวัดหายในวัดแล้วเกิดหายในก็หาว่าพระขโมยแล้วก็เสร็จกันเพราะงั้นมีวินัยอนุญาตไว้พิเศษเลยให้พระหยิบได้ให้หยิบเก็บไว้เพื่อรอเจ้าของเข้ามารับของนั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะเขาเรียกวัตถุอนามาตในเชิงวินัยและห้ามจับต้องแต่ถ้ากรณีนี้จับได้เพราะงั้นพระนรนก็เก็บไว้แล้วก็ไปกราบทูถึงพระเจ้าทรงทราบ พนางตาสีไปรู้ว่าพระอานนท์เก็บไว้ก็ไม่เอาไปบอกนางวิสาขานางวิสาขาทําไงก็จะละถวายพระเลยเพราะท่านนับถือพระอานนท์มากก็มันผ้าั้งสิบเท่าไรต้องสิบตั้งตั้งเป็นโกดนะฮะราคาเป็นโกดมันประดับอะไรของสูงสูงนั้นแหะในในอัตถกถาธรรมบทเนี่ยที่ท่านเล่าไว้ละเอียดมากเลยวิธีทําทํำยังไงยังไงเนี่เล่าละเอียดมากระดมช่างกันเป็นร้อยๆมาทํากันน่ะ ตัวเดียวก็ในที่สุดก็ประมูลขายหาคนซื้อไม่ได้ไม่มีเงินซื้อในที่สุดนางวิสาขาก็ซื้อเองซื้อเองแล้วเอาเงินนั้นแหละบริจาคสร้างวัดชื่อว่าบุพารามลงทุนไป27โกดนะฮะเรียกว่าปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาเพราะการสร้างวัดในสมัยก่อนเนี่ยคนสร้างยังเป็นรับภาระธุระในการจัดการ เอามาไปพบที่วัดหนึ่งที่จังหวัดอายุทย์เอ้ไม่ใช่จังหวัดอะไรนครนายกฮะเป็นวัดที่แปลกมากคือวัดเดียวแล้วก็มีสกุลเดียวที่บํารุงอยู่พระเป็นร้อยร้อยสกุลเดียวทั้นเองเขาเลี้ยงเขาได้เลยสืบต่อกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดเป็นเจ้าของที่นาหลายพันไร่เลี้ยงวัดได้สบายมากเลยเอามาเคยไปพักอยู่ตั้งเ็ดวันตอนไปเป็นธรรมทูตสมัยเป็นนักศึกษาเห็นเดียวมาเลี้ยงพระทุกวัน แล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยเป็นเป็นเป็นเรื่องที่แปลกคือคล้ายๆแนวสมัยพุทธกาลนางวิสาขาก็สร้างบุพารามถวายเป็นที่ถวายเป็นที่อำ น, นักของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เพราะงั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับสองท่านเนี่ยเป็นคู่บารมีที่สร้างสร้างกันมาเนี่ยแล้วก็ถ้าพักที่วัดพระเชตตาวัน บินตาบาทเสร็จแล้วก็ไปอยู่กลางวันที่บุพารามตาตอนกลางคืนอยู่บุพารามพอตอนกลางวันก็มาอยู่ที่พระเจดตะวันคืออนุเคราะห์ตระกูลทั้งสองนี้ก็เพราะงั้นพระเจดตะวันกับบุพารามจึงเป็นศูนย์คล้ายๆศูนย์บัญชาการใหญ่ของพระพุทธศาสนาเลยตัวพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ที่นี้ที่เมืองนี้ยี่ปีที่บุพาราม6ปีที่พระเจดตะวัน19ปีเพราะพระเจดตะวันก็สร้างก่อนนะครบบุพารามเป็นเรื่องสร้างทีหลงัง ที่นี่ในด้านของเพื่อนอุบาสิกานางวิสาขานี่คือคือรอบตัวมันมันไม่รู้จะเอาอะไรมามามายกย่องอ่ะพูดกันมหมดสิ้นมากนะกันในด้านคุณสมบัติในฐานะของอุบาสิกาท่านก็เป็นหัวหน้าของอุบาสิกาที่พยายามดึงพักพวกเพื่อนฝูงไปทำตัวเป็นการยานมิตรจักชวนให้ ให้ศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมะแล้วก็พยายามไต่ถามสอบถามบางทีก็มีปัญหาบางทีก็ไม่มีปัญหาอะไรต่ออะก็แล้วแต่และก็ก็มีเรื่องเยอะมีมีเรื่องอยู่สองสองกรณีนะฮะจริจริงมันก็หลายเรื่องเลยจะยกตัวอย่าง2เรื่องคืออุบาสิกากลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของท่านเองในวันณัขัดตระเวรสมัยก่อนไอ้นักขัดตระเวรเนี่มันก็มีน้อยน้อยนะฮะ รู้สึกว่ปีหนึ่งไม่กี่ครั้งแต่เรียกว่าคล้ายๆกับฟรีเลยวรนณัขัต่เลิกนี่ยแม้แต่ผู้หญิงก็แอบดื่มเล่าได้นะัดื่มตรงๆไม่ได้สมัยนี้สง่ามากเลยเพวกนี้นาวิสาขาชวนมาฟังธรรมในวันณัขัดต่เลิกเพื่อไม่ให้มันเพลินอ่ะท่านชวนมาฟังธรรมพวกนี้เลยแอบซ่อนเล่าไปซ่อนเหล้าไปในพกด้วยในขณะฟังเทศอยู่เนี่ย ก็พ่ายสารีก็แขกกันนักดูมันก็ซ่อนอะไรไว้ได้เยอะนะะเพลิดๆก็แอบดื่มด้วยแอบดื่มด้วยฟังเทศไปก็ดื่มไปนะฮะเทศไปก็ดื่มไปก็เก่งไม่เบาเหมือน ก, กันพนอะเสร็จแล้วมันก็มันก็ถูกสุรา ค, ครอบงา ม, มากก็เริ่มส่งเสียงเริ่มไร้รำเริ่มไออาการผิดแผกเข้าไปพระเจ้าทรงรู้ด้วยประยาณนะฮะตรงบรรดานในตรงนั้นมันมืดเันทีเลยมืดหมดเลย มืดพวกนี้ก็กลางวันเนี่ยมันเกิดมืดคนก็ตกใจเราสางเมาแล้วพระเจ้าก็หายไปแล้วก็มีลำแสงพุ่งออกมาพุ่งมาในที่มืดแล้วก็รับสั่งเนี่ยเป็นภาสิทธิท์ที่ที่เป็นอนุสติเราอย่างดีนะครับท่าน ท, ทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเริองอะไรกัน ในเมื่อลูกนี้มันลุกพรวงอยู่เป็นนิดท่านในกำลังตกอยู่ในไอ่ถ้ากลางความมืดเนี่ยทําไมไม่หาประที่เป็นเรื่องสองทางลนะ่ะพวกนี้ก็เลยได้ส ต, ติเสร็จแล้วก็เกิดความสํานึกเกิดมันสางเมาอะฮะตกใจ ย, ยันสางเมาเกิด ค, ความสํานึกฟังธรรมต่อไปก็ได้บรรลุมากผลไปตามสมควรนี้ก็คราวหนึ่งอีกคราวหนึ่งนั้น ก็เป็นเรื่องเพื่อนอุบาสิกาเหมือนกันก็คงคงคนลชุดหรือว่าชุดเดียวกันก็ไม่รู้ทําให้บอกว่านี่ก็ชักชวนไปจนถึงรักษาโบสถ์ตรีศีลรักษาโบสถ์ตรีศีลและเห็นว่าแต่ละคนก็มั่นคงกันดีนางก็ไปสอบถามว่าท่านรักษาโบ ส, สถ์ตรีศีลโดยวัตถุประสงค์อย่างไรปรากฏว่าตอบไม่เหมือนกัน ต่อไปเหมือนการพวกสาวรุ่นก็คิดว่าจะา ร, รักษาอโบสถศีลเพื่อไปสู่สกุลสามีที่ยังไม่เป็นสาวแก่แล้วพวกที่มีสามีแล้วคือว่าแต่งงานใหม่ๆนะฮะก็ขอให้ได้ลูกชายหัวปีไอคนที่มีลูกแล้วก็ขออยาให้สามีนอกใจแล้วคนที่แก่แล้วเราขอให้ไปเกิดในสวรรค์ ก็แสดงว่าแต่ละคนทำเรื่องเดียวกันเตวพื้นอัธยาศัยที่สั่งสมอารมณ์มาไม่เหมือนกันและโดยเฉพาะไหวคือความต้องการในด้านไหวเนี่ยันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทำเรื่องเดียวกันแต่ตั้งความปรารถนาไม่เหมือนกันนักวิสาขาก็นำไปข้อสอบถามท่านไปกราบภูมพ ร, ระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่า มันคนเป็นจํานวนน้อยเท่านั้นหรอกที่ก็ทําอะไรจะมุ่งมั่งผลให้ผ่านส่วนมากแล้วมันก็ไปเลาะเลาะฝั่งเลยทรงใช้คำว่าอปกาเตมนุสเซสุเยจนาปาริกามิโนอัททายังอิตราปาชาตีระเมวาโนทาวจิคนเป็นจํานวนน้อยเท่านั้นที่มุ่งมา่ปรารถนาจะขึ้นฝั่งคนส่วนมากแล้วมันจะเลาะเลาะฝั่งไป หมายความว่าไม่ว่ายุคใดสมัยใดยนะฮะเราจะไปไติดใจเลยเพราะทำไมคนเข้าวัดน้อยที่จริงพระพุทธศาสนาไม่เคยติดใจเรื่องจํานวนคนเข้าวัดนะฮะเราที่พูดกันเองเราต้องการแต่จะให้คนดีแต่นั้นเองทีอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่เข้าวัดก็ตามไปที่บ้านเลยแต่นี่ประเทศออกวิทยุเลยเลยอยู่ในมุ้งกฟังได้ไม่ต้องกลัวแต่เราไม่ติดใจว่าคนต้องเข้าวัดอะไรแล้วไม่ได้มีแนวอะไรที่จะต้องคนเข้าวัดเลยซ้ําไป แต่ว่าเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการอนุเคราะห์โลกพวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแกชนเป็นมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเขาไม่มาเราก็ไปไมันกลัวอะไรทีนี้มันปัญหาในบ้านในเมืองเราเนี่ยที่ทําให้เกิดคลาคลาเหมือนกับช่องว่างอ่ะจริงๆแกไม่ใช่ช่องว่างอะไรคือระบบที่เราสร้างขึ้นมาจนกลายเป็นกําแพงที่ชาวบ้านกับพระนั้นสัมพันธ์กันไม่ค่อยได้ เฉพาะในกรุงเทพนะฮะแต่ว่าต่างจังหวัดไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยต่างจังหวัดว่างๆเราไปสวดมนต์เราก็เทศเดีย่อยด้วยกันเองแต่งานเราก็เทศเดยย่อยด้วยกันหนเองตีปลายอะไรเราก็พูดเรื่อยแนะนํากันเรื่อยแล้วก็ไม่ได้นั่นอะไรเนี่ยเพราะว่าอิทธิพลในความรู้สึกนึกคิดคือความเป็นกันเองระหว่างพระกับชาวบ้านเนี่ยมันเป็นมากมันมีมากแล้วก็มีปัญหาอะไรมันก็พูดกันได้มันจะยิงกันยังห้ามได้เลยแต่ว่าที่กรุงเทพเราก็ไม่ได้คุ้นเคยอะไรกับชาวบ้านอย่างนั้น ความเป็นกันเองอะไรแต่ออไรเนี่ยมันไม่เคยมีทําให้ไปก็ไปกันเป็นเป็นพิธีกันเลยนะครับางทีไปงานหนึ่งตลอดทั้งงานไม่พูดกันตะคํานึ่งไงพูดกันตะคํานึงโยมเสร็จเราก็เสร็จเราก็กลับต่างคนต่างทํางานกันไปกันทำนั้นนะฮะเพราะงั้นเหล่านี้มันก็กลายเป็นเออเกิดเป็นปัญหาชันว่าอะไรจะต้องมีการรัฐนาก่อนต้องมีนิวรณ์ก่อนอยิงเทศเนี่ยนี่คือรูปแบบที่เราสร้างขึ้นมา พอสร้างขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นกำแพงที่ขวางไม่อาราฐนาของประเทศไม่ได้แล้วก็ต้องทําอะไรประรุงประรังอา ม, มุงชากันทวงกันเทศแล้วยุ่งอะ่ะอันนี้ชาวบ้านสร้างเองนะไม่ใช่พระสร้างชาวบ้านไปทํากำเองมันยุ่งหมดเลยอันนี้ก็คือเรื่องทําให้เกิดการเลื่อนช้าการเสียเวลาแล้วคล้ายๆกับทําให้คนบางพวกมันขยานในการจะฟังธรรมฟังธรรมทีหนึ่งอย่าง สมมติว่าเด็กๆเนี่ยอะมาเคยให้ข้อสังเกตไปตามโรงเรียนต่างๆโรงเรียนเด็กเล็กเนี่ยบอกว่าอาจารย์จะไปที่รายเด็กนะไม่ดีหรอกค่อยให้แก่โตให้ปลูกฝังศรัทธาภาษาถ้าแกซะก่อนแล้วก็เวลาแกมีเงินมีทองแกทํางานได้แกเกิดทําบุญแกอยากทําก็ทำแกเองอหะตอนนี้เราเพราะไอ้พืน้นอัตยาศัยแกก่อนคือไม่ใช่พอฟังเทศแล้วเด็กเกิดมนโนภาพซ้อนน่ะมโนภาพซ้อนนงแหมวันนี้ฟังไอ้พระพูดยัญญาเน่ยเรรู้เรื่องอยู่แล้ว แล้วกูต้องจ่ายแะต่ตางค่ากันหนูมีละคือคือคือเนี่ยมันก็เกิดมาสองภาพถึงมาเป็นปัญหาที่ว่าไปไปแค่แย่กับผลักเด็กออกจากศาสนาที่จริงรูปแบบเหล่านี้เป็นรูปแบบที่ญาติโยมสร้างกันขึ้นเองจนบางครั้งบางชาเนี่ยอามาเนี่บอกตรงๆก็ได้ให้พวกไปเดบกบวัดพระแก้วด้วยเอามาปเทศบวชพระแก้วมาตั่งหลายปีแล้วไม่ไม่เคยทําได้ดีเลยเพราะอะไรเพราะว่า ภาพที่มันทามังเก้งกังเก่งกังเก่งกังยื่นขันเนท่าหมวคนนู้นคนนี้วุ่นมันมันเป็นภาพคล้ายๆกับเรามารับจ้างเทศอะไรมันเลยมันมันก็หมดไอความความคิดที่จะเทศอะไรเนี่ยภาพเหล่านี้มันมันเป็นภาพที่ไม่ดีเลยแต่เราก็สร้างกันขึ้นมาเองแล้ววุ่นไปหมดเลยแล้วผลท้ายเราก็โยนแมลงไปวัดอาด่าพระต่อเหมือนเราลูกแมวขี้เรือนหมาขี้เรือนมาโยนวัดะที่จริงเป็นเรื่องที่เราสร้างกันขึ้นเองแล้วก็ เกิดเป็นปัญหาแล้วเราก็ไม่ไ ม, ม, มพยายามที่จะหาทางแก้กันแั่นเราจะพบว่าที่จริงแล้วพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้มีลักษณะอย่างนั้นคือการมีวัดนั้นก็เพื่อเป็นที่อยู่ของพระเป็นที่จุดนัดพบคือชาวบ้านต้องการศึกษาธรรมะต้องการอะไรก็มาได้ที่วัดแต่ในขณะเดียวกันพระเราส่วนหนึ่งก็ต้องออกไปข้างนอกไปสัมผัสกับประชาชนแต่โครงสร้างเงื่อนไขต่างๆไปในสังคมปัจจุบนันก็มีปัญหาอย่างเก่า เราไม่ต้องการจะให้คนเข้าวัดกันเต็มๆแต่เราต้องการให้คนดีมากๆอะอยู่ที่ไหนก็ตามก็กดีก็แล้วกันให้เป็นคนดีมีรู้เรื่องาศาสนาประพฤติปฏิบัติคุ้มครองตนได้จะไม่ทําบุญไม่บูชากันเทศอะไรก็ได้มไม่ได้เกี่ยวอะไรเรื่องนั้นน่ะนอกเรื่องจะเป็นเรื่องน้่งคนต้องการจะทําบุญเพิ่มขึ้นก็เป็นเรื่องของเขาอิศฐาปสาตะาก็ทําไปแต่ว่าเงื่อนไขาทางศาสนาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีทีนี้ เราจะพบว่านางวิสาขาเนี่ยท่านเป็นคนที่นอกจากงั้นนะมันก็เก่งก็จะยกตัวอย่างสองเรื่องนะฮะเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าสเสด็จไปเยี่ยมพระเรวัตน้องชายคนเล็กของพระสารีบุตรนะฮะพระเรวัตนี่ท่านเป็นพระอาหารหันต์ตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเนนะฮะรู้ก็ว่าพระุทธเจ้ากับพระสารีบุตรไปเยี่ยมก็ท่านก็ใช้เออาเรียกว่าอิทธิฤทธิ์นะฮะ อิติิ์คือทําสิ่งที่ไม่มีให้มีพระพุทธเจ้าเสด็จไปมากก็ท่านบรรดาอิติฤทธิน์นิมิตเป็นวัดเลยฮะเป็นวัดแต่หรูหราอยู่อาศาัยมีกุฏิกุฏ้องเยอยะแยะให้พระพักพระอื่นนั้นท่านรู้ว่าเนี่ยมันเป็นของสมเด็จด้วยฤทธิ์มันไม่ใช่ไม่ใช่กุฏิจริงอะไรหรอกจะมีหลวงตาสององคพระอยู่ในป่าเรานึกว่าจะสมถะสงบมัไม่หรูหราจังนงะ ต่ลงว่าจากความคิดสององนี้นะฮะพระพุทธกณ่ณนจะกลับพระพุทธเจา้าบรรดาญในพุทธานุภาพไปสององนี้ลืมลืมของลืมของไวลืมลืมของไว้ อ, อ, งไวองค์หนึ่งอ่ะองค์องค์ที่มีความคิดว่าพระอยู่รุราเนี่ยนะพอออกมานอกป่าไอ้กุฏิกุฏามันก็หายหมดอนะ่ะเสร็จแล้วก็นึกออกก็กลับไปเที่ยวหาปรากบบริค้างตัวเองไปแขวนในที่ต้นไม้ก็กลับ ก็มาถึงก็มาถึงบ้านนางวิสาขานางวิสาขาถามถึงที่อยู่ของประเรวัตสองคนนี้ตอบไม่เหมือนกันหนึ่งตอบโอ้ยอยู่รู่งรัชจังเลยมัก็วังเลยนะกุฏิกุฏางเต็มไปหมดเลยอยีหนึ่งอุย้ยมีแต่ป่าไม่แต่เขียว น, นั้นเองเดินก็นลําบากก็เลยตกลงมาพูดกันไม่รู้เรื่องเลยไปเรื่องเดียวกันนะฮะแล้วก็ในในที่สุดนางวิสาขาท่านเป็นอรียสาวิกาท่านรู้ท่านรู้ว่าเนี่ยเรื่องนี้เป็นอะไรนี่ก็แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่า คนระดับพระรยบุคคลระดับนี้ขึ้นไปเนี่ยก็พอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรอกที่เวลามีปัญหาเพราะว่าเสร็จแล้วพอพระพุทธเจ้าเสด็จมานัง ก, ก็กราบทูลถามว่าพระสององค์ในรายงานเรื่องที่อยู่ของพระเ ร, เรวัตไม่ตรงกันน่ยที่จริงๆมันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านไปอีกเรื่องนะท่านบอกว่าพระอาหารทั้งหลายอยู่ในที่ใดก็ตามที่ลุ่มก็ตามที่ดอนก็ตามนวลลืมเขาอะไรอะไรก็ตามที่นั้นก็เป็นโรมณีสถานน่ย เปนที่รื่นรมเพราะว่าอาหารมันไม่ได้เกียวกับที่มันอยู่มันอยู่กับใจนะฮะอยู่กับใจไม่ได้เกียวกับที่กิเลสมันก็อยู่ที่ใจธรรมะก็อยู่ที่ใจตอนนั้นถ้าจะแสวงหากันก็ต้องแสวงหากันที่ใจนี่เองแล้อีกเรื่องหนึ่งก็มีที่เป็นพาสิทธิ์ที่ออกจะแพร่หลายนะฮะนัิยาโลกัตโนจะทำตนเป็นคนรกโรก็เกิดที่บ้านนางวิสาขาเหมือนกันน่ยคือหลานสาวก็นางวิสาขาในกำลังรุ่นสาวเนี่ย กำลังไอ้ช่วยยาจัดจัดจะเลี้ยงพระเนี่ยพอดีก็พระหนุ่มองค์หนึ่งอ่ะก็แก่นแก่นพะเพะกันเนี่ยก็มาถึงก็มาเออท่านนึกอะไรขึ้นมานะฮะท่านก็ท่านก็ขำอ่ะแล้วก็เด็กผู้หญิงไอ้มองพระหนุ่มๆนุ่มแกก็ขำไอ้ขำคือแกลๆกับคนรุ่นเดียวกับแกไม่น่าไปคนหัวบวชอ่ะแกก็ขำมาตางคนแต่ก็ขำก็หัวรอกกันเสร็จแล้ว เด็กผู้หญิงก็ว่าไอ้คนหัวขาดหัวเลาะห ม, มายความว่าคนตัดผมหัวเลาะพระก็ว่าแก้หน้าที่หัวขาดก็ ท, ทะเลาะกันนี่ก็เด็กนะก็เด็กด้วยกันแหละเสร็จแล้วก็นางวิษาขาก็มาสอบถามนางวิษาขาก็บอกพระคุณเจ้าจะเอาเรื่องอะไรนะเด็กๆมันว่าไม่ได้โยมอย่างนี้ยมเข้าข้างหลานเนี่ไม่ได้อย่างนงงี้ไม่ได้ยุติดตามมันก็รวนกันแห้ะพระพุทธเจ้าเสด็จมาท่านก็รู้รู้มาก็ เห็นว่าพระตรงนี้ก็ต้องต้องปรอบแล้วท่านก็หันไปตำหนินายวิสาขาเออวิสาขานี่หลานเธอมาดูหมิน่นสาวกเราอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็เออนี่นี่พระพุทธเจ้าพูดถูกนะพูดถูกอย่างงี้พูดถูกข้าพระองค์ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะนายวิสาขามาเออดหลานนายวิสาขามาว่าเองเราก็เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็พูดกลอบ ๆ, ๆมาเรื่อยๆก็มาออกเนี่ฮะเนสิยาโลกวตถโนที่เราเรียกว่ายาทําตนเป็นคนรกโล ก, โลกคือถ้าเราดูแล้เนี่ยดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะ ไม่น่าจะแปลความหมายอย่างนั้นณสยาโลกวัตโนแปลว่าจะทําทให้โลกเจริญนะจะทําให้โลกเจริญหมายความว่าเอ่คือพูดเรื่อง เ, อเด็กหนุ่มกับเด็กสาวสองคนนะฮะพูดกับเด็กหนุม่มเด็กสาวสองคนแล้วก็แสดงเรื่อยไปเนะี่ยงหมายถึงว่าก็การโดยจุดจริงๆก็คือเอ๊จะให้พระศึกไปมีครอบมีครูอะไรแต่ออไรเนี่ยแนวมันออกมา อย่างนั้นแต่ว่าเวลาเราแปลเราแป ล, แปลว่านัชยาโลกว่าธนมันก็ได้ความอีกแนวหนึ่งได้ความอีกแนวหนึ่งแต่ไม่ตรงกับเนื้อหาของภาษิตทธ์คืออย่าเพิ่มพลเมืองอ่ะพูดง่ายๆอย่างนั้นนะอย่าเพิ่มพลเมืองแต่นั้นเองแต่ว่าเราก็แปลคือเราตัดมาบาดเดียบาตรสุดท้ายนะเราตัดมาบาดบาดสุดท้ายมาแปลนี่ก็เป็นคุณสมบัติที่ที่กระจายไปให้ดูในมุมต่างๆของนางวิสาขานะฮะแล้วก็ ท่านเป็นคนไม่แก่นะเพราะว่าเป็นจั ก, กรยาณีมันงามอยู่ที่วัยงามด้วยน ะ, ะนะผมงามตางามกระดูกงามผิวงามนะฮะวัยงามไม่แก่ขนาดว่าตอนท่านฉลองบุพารามตอนนั้นมันก็ปลายพุทธสมัยแล้วอายุท่านก็แย่แล้วแต่ว่าท่านเดินปนไปนี่แล้วก็ไม่รู้ว่าว่าว่าไหนานางวิสาขาน เดินปงกับลูกลหลานเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไหนเป็นนามสกุลขาคือแสดงถึงเป็นคนที่วัยงามมากแต่ว่าคนประเภทนี้ท่าน ง, งหลายจะเห็นว่ามันก็มีน้อยแต่ไม่ได้หมายความไม่มีนะฮะไม่ได้หมายความว่าไม่มีเพราะคนบางคนดูรูปร่างกับวัยแล้วก็ผิดกันเยอะแม้แต่สมเด็จพระสังฆราชเราเองเคย อ, อยู่ในกรีนเกนที่เรียกวัยงามนะฮะพระชนมาอายุ85แล้วนไปอเมริกาสบายมากเลยเพื่อนก็เป็นหวัดกันนัวหมดเล้วท่านเป็นอะไรเลย จะเด็จ จ, จ, จ, จุบจุบสบายมากก็นี่ก็คือวัยงามอย่างหนึ่งคน85ร่างกายไรยตไรแข็งแรงได้ขนาดนี้ไม่มีโรคภัยไรยตไรเบียดเบียนเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องชงบุญบารมีนางวิสาขาจึงได้ชื่อว่าเป็นนางงามแห่งเบนจ์คีรีเบนจ์คีรีก็คือที่จริงตอนนั้นท่านมาอยู่เบนจ์คีรีแล้วนะฮะท่านมาอยู่ที่เมืองสาเกตแล้วแต่ว่าเมืองเกิดจริงๆก็ท่านนั้นอยู่ที่กรุงราชศึกไม่ใช่อยู่ในกรุงราชศึกคือแคว้นมัคตนะ่ะ เบญจกิรีที่จริงเขาก็หมายเฉพาะในเวทในในกลุ่มราชกิร์แต่เนื่องจากนางเป็นชาวชาวแคว้นมคธจึงได้ชื่อว่าเป็นนางงามแห่งเบญจคิรีเป็นอุบาสิกาที่เรียกว่าทํางานเป็นประโยชน์แก่พระศาสนามากแล้วก็แม่แต่กรณีที่เคยเล่าเรื่องในปายาสิราชานิสูตรนะฮะเรื่องภิกษุณีที่มีปัญหาเรื่องท้องนี่ก็นางวิสาขาเนี่ยเป็นคนตัดสินปัญหานี้ เป็นคนสุดท้ายเป็นคนตรวจสอบเป็นคนตัดสินเพราะงาั้นท่านจึงเป็นอุบาสิกาที่ทไม่รู้พูดยังไงมันเรื่องของท่านแยกเลยเกินทํางานทําการสร้างผลงานไว้มากทั้งสองท่านนะฮะทั้งทั้งนางวิสาขาทั้งท่านนาตบินติกาเศรษฐีแต่ถ้าพูดถึงว่าบทบาทความเคลื่อนไหวสูงเนี่นางวิสาขาที่สูงกว่าเพราะท่านก็ท่านมีลักษณะที่คล่องตัวกว่าแล้วก็ ทำงานอะไรก็ฉับไวเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นคนที่มีปัญญาบารมีสูงนะฮะในด้านปัญญาบารมีสูงแต่ที่น่าสังเกตอย่างที่บอกมาในตอนต้นว่าสร้างบารมีมาขนานกันมาเลยเริ่มมาจากจุดเดียวกันเจดคนนะฮะเจดคนประพฤติพรหมจารีมาด้วยกันแล้วทาไมสองคนจึงเป็นแค่พระโสดาห้าคนเป็นพระหันหมดแล้วเป็นพระหันไม่ใช่ระดับธรรมดานะฮะพระอรหันระดับอัคคสาวิการทั้งหมดไม่ใช่ คอเอตัทธะสาวิกาทั้งหมดตอนนี้ก็เพราะว่าไอเจตจํานงในการตั้งอธิษฐานนะฮะอธิษฐานคราวแรกความพยายามในคราวแรกนั้นไม่เหมือนกันนางวิสาขาเองนั้นต้องการจะเป็นมหาอุบาสิกาในด้านบํารุงพระศพส่วนนางชีมหาบารยานั้นตั้งครบทุกชาติทุกพบี่ขอเป็นแม่พระพุทธเจ้าขอให้มีลูกเป็นพุทธเจ้าสักคนนะครเพราะงั้นต่างคนต่างก็ได้ใน สิ่งที่ตัวเองปรารถนาแต่การได้นั้นเป็นผลไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเหตุหรือว่าการได้ ล, ลอยๆแต่เป็นผลที่แต่ละท่านนั้นเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งความปรารถนาเพื่ออะไรแล้วก็มีวิธีการอย่างไรจึงจะได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นแล้วท่านก็เพียรพยายามไปบนเส้นทางสายนั้นจึงเราจะเห็นว่าเมื่อเราย่นการให้สั้นพบชาติให้สั้นเข้าเอาเฉพาะในชีวิตปัจจุบันนะ แต่เราต้องการเป็นอะไรก็ตามเราก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยเพื่อให้เป็นอย่างนั้นให้ได้ต้องการเป็นหมอก็ต้องสร้างสร้างเหตุปัจจัยเพื่อเป็นหมอต้องการมีสมาธิมีกำลังใจกล้าแข็งพร้อมที่จะข่มอารมณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นภายนอกมันก็ต้องเดินไปทางในการฝึกปรือในการพัฒนาจิตใจก็ก็ก็คือเรื่องของเหตุผลที่เราจะเหยียดการออกก็เป็นเรื่องบา ร, รมีที่ผ่านพพผ่านชาติมามาก รายละเอียดการมันใกล้ๆมันก็เรื่องของความดีเรื่องการการเก็บการสะสมความดีที่จะให้ผลตามที่เราต้องการเรื่องเหล่านี้จึงจึงจึงจึงเหยียดออกก็ได้ให้ให้สั้นข้าวก็ได้แล้วเราดูเห็นแง่มุมเดียวกันคือว่าผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคล น, นั้นย่อมมาจากเหตุซึ่งบุคคล น, นั้นนั่นเองได้สร้างเอาไว้ ดันเรื่องนางเรื่องเรื่องก็นางในสาขาจึงยกมาเป็นเรื่องเรื่องไปทั้งท่านทั้งหลายก็ต้องคิดตัวเองก็ไม่ต้องไปย้อนกลับไปพิเคราะห์ อ, อะไรเรื่องยาวมากเอสมัครปนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกัน